จริงมันทูกใจเต็มทีแล้วเราไม่รู้จักใจไม่รู้จักหลุ ก, ก, ลกไม่รู้จักรีบนั่นเองคนเ <_ nhân> จ้ว่าคนอื่นพูดได้ไม่ถูกใจมันพูดหลง <_ V> ความจริงมันทูกใจที่สุดแล้วเกิ่ยว่าตําตึบแน่นอกแน่งใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จักมาถูกข์ใจไม่ถูกใจพูดตามเขามาเท่านั้นเองดังนั้นคนที่พูดอะไไม่ไม่ทุกใจเนั่นคนนั้นพูดผิดหลวงพ่อพูดจริงจริงเอาสมมติเราหลวงพ่อจะจับอันนี้นะไม่ถูกมันก็ไม่ติดนี่พอได้ทุกปุ๊บมันติดเข้ามันทันที่่คนนอืพูดให้มา เราไม่พอใจนะย่าไปว่าไม่ถูกใจมันทูกใจเราแล้วสินะชิดทิ้ง ท, ทันทีเลยเนี่ยท่านว่าอย่า ง, น, างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคนเนี่ยก็เหมือนกันมีคนมาพูดให้เราเราไม่ได้มองใจเราเลยวิ่งไปเลยก็ตากันเครื่งทางเนี่ยมันเป็นอย่างไ น, นตามกันคนใดไม่ดีก็โลมลงท่านนั่นเองอันนี้จัหวแบ่งทางไว้เขามาข้างซ้ายก็ต้องไปข้างขวาเขามาข้างขวาล้วต้องหลบไปข้างซ้ายอย่าไปสนกัน<ม>ก็จิตใจก็สบายท่านั้นเองคนตัวอยู่เหนือโลก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 พระสององค์เจ้าก็เหมือนกันคงจะเป็นนักทำเตีนักทำโทนนักทำเอฟเป็นจานั้นหรือบางคนอาจจะได้เรียนบาลีเป็นมหาประโยคสามประโยคเตห้าหกไปกว่ามือดังนั้นการพูดการคิดเนี่ยมันไปติดตาลาเลิกซะเลิกคมหลังที่เราจํามานะเลิอกเอาวางไว้ก่อนเมื่อเรายังไม่เลิกคมหลังเรายังไปจําคําพูดที่มันมีอยู่ในตําลาตลาํารา หน้าบรนทัดที่เท่านั้นเท่านี้อันนั้นไปติดอยู่มนออกจากตัวเราไปทั้งหมดเลยมันเลยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีสัญญาเข้ามาเลย ม, มันมีสัญญาไปจําตัวหนังสือโ น, โน่นหนึ่งอยู่บรรทัดที่เท่านั้นหน้าที่เท่านี้มันไม่ได้เป็นสัญญาณนะอันนั้นแหละท่านผู้ลูกเราอะวิชาไปว่าไม่รูนะเร้เป็นคมลูกของอาวิชาไม่ได้เป็นคมลูกของวิชานะอะวิชาไปว่าไม่รู้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 คำว่าส่วนเปลือกของเซโนองูุโบโบกส่วนเปลือกมันเอาสมมติเราจะกินต้มเสียหวานเนี่ยปลอกเปลือกที่ในคุนตัวเนี่ยนี่จะกินในมันเนี่ยอันนี้นียวมคิดเอาไม่ใช่พูดจริงพูดจริงเอาสมมติให้ดูเนี่ยปลือกมันไม่ติดกินเอาจิ้มไนเอันความคิดบ้าบ้าบ่บ่อันนั้นมันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันควมคิดไม่รู้เนี่ยอันนั้นอะบิดาความคิดขิดบังเราเราอยู่ในถ้าคนมันไม่เห็นรูปทรงของถ้าเนี่ย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 อันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังอันข้าวมเป็นไทยเนี่ยมันไม่เป็นไทยแท้เลยดนี่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปค้าวมเป็นไทยที่ยังเหลือน้อยที่สุดเนี่ย ก, ก, การนุ่งการนอนการนั่งก็คลายคลายเกือบจะหมดไปแล้วในปีนะั้นอันนี้ขออภัยพูดให้ฟังตรงๆนะเพราะว่าไหนๆเราก็จะพูดกันแล้วนะแต่จะขออภัยก็ได้ไม่ขออภัยก็ได้บ้านหลวงพ่อ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 ไปทำการทำงานอยู่ที่ไหนโดยไม่เดือดร้อนนี่วะอยู่กับโลกไม่เป็นก้างของขอของโลกอยู่เหนือโลกไม่ใช่อยู่บนฟ้าพุดอยู่เหนืออารมณ์พักพวกตออาห น, น, นิอยู่เหนืออารมณ์พักพวกสนเสริญคนว่าฉันเรียว่าอยู่เหนือโลกแค่คนมันย่าอยู่คี้ดิลิเองไม่ใช่แ่เหาะอยู่กัน